อแต่ว่าเมตตาเนี่ยนะศัตรูใกล้ของเมตตาเนี่ยคือราคะเนี่ยซึ่งปกติแล้วไอ้เสียหายตรงนี้มันโดยมากท่านสแสดงในแง่เพศตรงข้ามนะเจริญเมตตาไปทั้งห้องแล้วไปติดอยู่คนเดียวแค่นั้นแหละขอให้คนนั้นอ่ะมีความสุขขอให้มีความสุขกับคิดอยู่อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อันนั้นไม่ใช่เมตตาแล้วอันนี้คือศัตรูใกล้เนี่ยนะอย่างที่เขาเรียกว่าพอเจริญไปเจริญมาก็เอาอยู่คนเดียวนั่นแหละ ที่ที่เรียกว่าเพศตรงข้ามเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มนี่แหละที่เรียกว่าศัตรูใกล้แต่ถ้าได้กว้างขวางนะ ท, ท, ทุกสัตว์ทุกทุกสัตว์เหมือนเช่นบุตรเราเนี่ยนะถ้าอย่างไงไม่มีโทษคือการเจริญเมตตาสําคัญที่สุดเนี่ยนะจะต้องมีเมตตาให้ตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะคําว่าเจริญเมตตาเนี่ยนะรักษาเราและรักษาเขาให้เป็นสุขเนี่ยนะพันการเจริญเมตตาเราต้องการให้เรามีความสุขไม่ใช่หรือ แล้วการที่เราทำเนี่ยเราทําให้เรามีความสุขด้วยเขามีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาตัวเองด้วยนะรักษาทั้งตัวเองด้วยรักษาทั้งสองฝ่ายด้วยเนะี่ยนะีตัวในครั้งหนึ่งว่าโทสะจริตนี่สัมปโยคทุกเนะีนะ่ยนี่ยเป็นคนที่ตั้งสติสัมปชัญญนะนะนะเนี่ยเน่ยเขบอกว่าถ้าเห็นเกี่ยวข้องถ้ากโกรธแก่ง่ายที่สุดก็ถึงโกรธก็อย่าพูดเนะีนะ่ยนี อันนี้เป็นสะพานที่ดีที่สุดก่อนนะนะว่าถึงโกรธก็อย่าพูดไว้พูดตอนที่ไม่โกรธแล้วแต่ว่าโทสะจริตนี้สัมประโยคนทุกข์นะเจออะไรก็หงุดหงิดไปหมดเลยก็ฝึกเจริญเมตตาเนี่ยนะนะเมตตาก็คือการน้อมประโยชน์เข้าไปให้เขาอะนะคิดให้เขามีความสุขนะโนะยมก็บอกว่าเออเมตตานี่เจริญไม่ค่อยยากนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่มันทํายาก น่าจะทําด้ง่ายนะคิดให้เขามีความสุขไม่น่าจะยากเย็นเลยนะแต่กลับยากเอาสิบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นความแห้งแล้งของใจเราเลยนะโอ้เรามันแห้งแล้งขนาดนี้เลยเลยนะี่ยแค่คิดให้เขาสบายใจบ้างเรายังทําไม่ได้เลยเหรอกูอาจารย์เรานี่มันเป็นเอามากขนาดนี้เลยเลยอย่างไงี้นะทาให้เจริญอย่างหนึ่งนะลองคิดดูนะลองคิดเมตตาบ่อยๆนะเอ๊มันน่าจเจริญไม่ยากคิดให้เขามีความสุขลองดูอ่ามันจะได้สักกี่น้ํา จะรู้โอโ้เรานี่เป็นคนที่กันดานมากๆเลยนะแห้งแรงในความคิดเยอะเนี่ยนะเพราะนั้นถามว่าถ้ารู้ว่ากันดานทํำยังไงนี่แหละที่จะต้องรู้ตัวว่ามีน้อยอย่างเงี้ยจะต้องเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ <c oughs> ทีนี้มาดูโมหะเจริญว่าพระองค์นี่แสดงปฏิจจสมุปบาทแก่ผู้ที่เป็นโมหะเจริญพวกเขาทั้งหลายเลยเนี่ยนะเอาเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาคิด ปฏิจจสมุปบาทว่าง่ายๆก็คือกรรมวิบากกิเลสสามอย่างนะปฏิจจสมุปบาทกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากพอวิบากเกิดขึ้นก็ เ, เกิดกิเลสพอมีกิเลสก็ทํากรรมใหม่เพื่อให้มีวิบากนะนะก็วงเวียนแห่งวัตฏะเป็นไปในลักษณะนี้ถ้าสาวออกมาปั๊บกลุ่มกรรมคืออะไรคือสังขารกิเลสคืออะไรตัณหาอุปาทาน ตันหาอุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทำกรรมกรรมทำเป็นปัจจัยให้มีชาติพอชาติก็ทําให้มีกิเลสพอเกิดขึ้นมาก็มีราคะมีโทสะมีโมหะพออินทรีย์แก่กล้าก็ทํากรรมใหม่เนี่ยนะก็ลักษณะเนี่ยฮะปฏิจจสมุปบาทว่าง่ายๆย่อๆก็คือกรรมที่เป็นปัจจัยแก่วิบากซึ่งมีกิเลสเป็นต้นเขาเนี่ยนะแต่กิเลสนี้เกิดที่ไหนกิเลสเกิดอาศัยอะไรกิเลสก็อาศัย วิบากนั่นแหละเนี่ย น, นะเพราะเพราะวิบากนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดกิเลสง่ายๆนะถ้าไม่เห็นเนี่ยถ้าสีนั้นนั้นเราเกิดมาเราไม่เคยเห็นไม่เคยคิดว่าจะเห็นด้วยนะถามว่าเราจะมีกิเลสกับสีนั้นไหมยังเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรนะ ที่ไหนสักทวีปหนึ่งที่ไม่เคยเกี่ยวข้องไม่มีวงศาคนาญาดไม่มีการค้าขายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเราไม่เคยคิดจะไปด้วยนะไม่เคยคิดจะเห็นด้วยนะถามว่าเราจะมีราคาโทสะโมหะกับอารมณ์นั้นไหมไม่มีแต่พอเห็นนี่อะไรจะเกิดพอได้เห็นอารมณ์นั้นพอได้ยินอารมณ์นั้นนะเพราะฉะนั้นวิบากนี่จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อต่อกิเลสเนี่ยนะพอกิเลสก็พอกิเลสรับรู้ปับ๊บขณะที่กิเลสเกิดเป็นมโนกรรมก่อน ถ้าทำวจีวิญญตัตเป็นวจีกรรมถ้าทำกายวิญญตัตเป็นกายกรรมทางไม่ง่ายว่าอารมณ์ไหนบัางที่เราไม่เคยมีกิเลสเกิดเลยหายากนะไม่เข้าอันใดก็อันหนึ่งนะไม่เข้าอันหนึ่งก็อันหนึ่งอีกจนได้นั่นแหละคิดถึงพระพุทธเจ้าเราเคยมีกิเลสไหมมีถามว่ามียังไงท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เสียใจ โอ้ทำไมเราบุญน้อยเกิดไม่ทันเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นก็ถือว่าเรามีกิเลสกับพระพุทธเจ้านะ เ, เพราะคําว่ากิเลสนี่แปลว่าความเศร้ามองแห่งจิตคิดถึงสิ่งใดแล้วจิตเศร้ามองนั่นแหละเรียกว่าวัตถุแห่งกิเลสกิเลสมันก็ไม่ได้ไปเกิดที่ต้นไม้ใบหญ้าที่อื่นหรอกอเนี่ยนะมันก็เกิดที่มันสัมปยุทธกับจิตนะนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นที่รองรับของกิเลสเป็นที่โครจรแห่งกิเลสเป็นที่ท่องเที่ยวไปมาแห่ง กิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตนี่ต้องเอามาทาปริญญาก็คือวิญญาณขันเน่นะการตำหนิตัวเองนั้นก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของกุจจะตำหนิว่าเราไม่ได้ทำเรื่องนั้นเราไปทำอย่างนั้นเราไม่ได้ทำกุศลเราทำแต่อากุศลนี่ก็เป็นกุกุจจะเป็นนิวร์ชนิดหนึ่งนันะก็มีโทษนะก็อย่าไปคิดถึงเรียกว่า ถ้าจะคิดถึงในส่วนนั้นก็คือนั่นแหละโทษของการขาดเมตตาเนี่ย น, นะเป็นการขาดเมตตานั้นอนะ่ะคือถ้าถ้าการตําหนิตัวเองเนี่ยนะบางคนเนี่ยมันตําหนิเพื่อจะแนะนําตัวเองบางคนตําหนิเพื่อที่จะตายวะแกะเร็วมากแกเร็วมากแกเร็วมากนนะคิดอยู่อย่างนี้บ่อยๆนานๆเข้าก็เป็นโรคอะไรนะมันก่อนเรียนนะโรคเสื่องซึมเนี่ย น, นะพวกนี้ก็ก็ ตำหนิตัวเองบ่อยๆๆก็จะเป็นโรคอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาหนักๆเข้าเป็นโรคเสื่องซึมระหว่างกันจริงๆก็คือกุกุจะนั่นเองแต่ว่าถ้าคิดนะเออเนี่ยนะถ้าต่อไปนะเราจะไม่ให้แบบนั้นเกิดอีกต่อไปเราจะมีเมตตานนต่อไปเราจะเสียสละเราจะรู้จักให้โอกาสแก่คนอื่นขึ้ น, น, นก็การที่ปารบกิเลสในอดีตแล้วมาเพื่อตั้งเป็นข้อสังวรเธอว่าเป็นความเจริญในาศาสนานี้ นะนะเพราะคนที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วตั้งใจสังวรถือว่าเป็นความเจริญในอริยวินยัยนะทวนม่อีกครั้งหนึ่งว่าโมหะจริตนั้นต้องเอาเรื่องกรรมมาคิดให้มากๆกกันนะก็สังเกตดูนะว่าเราจริตไหนโมหะจริญมากหรือน้อยก็ดูที่ว่าคิดเรื่องกรรมและผลของกรรมบ่อยไหมถ้าไม่ค่อยบ่อยนั่นแหละชัดเลยว่าโมหะจริตเนี่ยนะนะก็ในบรรดาญาณทั้งหลายนะ ห, ห e รือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเนี่ยนะล่างที่สุดนะกรรมมัสกตาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสามัคสัมมาทิฏฐิสี em. ่ผลสัมมาทิฏฐิห้าปัจเจกหรืออีกในหนึ่งกรรมมัสกตาฌานฌานสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมัคผลและก็ปัจเจกถ้ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ เอามาคิดบ่อยวันหนึ่งเนี่ยคิดเรื่องกรรมน้อยมากหรือไม่คิดเรื่องกรรมเลยโอโมหะบริสคอนข้างบริสุทธิ์เนี่ยนะหมายความว่าปัญญาไม่ค่อยแทรกเลยนะนเพราะฉะการคิดเรื่องกรรมเนี่ยนะเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องเอามาคิดให้บ่อยๆให้มากๆนะอย่างคิดง่ายที่สุดก็คิดตามจุลกรร ม, มวิพังกสูตรเนี่ยนะ ก็เห็นคนปั๊บเนี่ยนะคนเนี่ยมันประกาศถึงกรรมที่ที่เป็นอดีตของเขาเยอะนะเช่นชีวิตยืนยาวเป็นผลของอะไรเว้นจากปานาติบาตใช่ไหมเพราะั้นของเรานี่วงการศึกษาธรรมะเนี่ยนะเห็นอย่างเป็นวงการคนมีบุญจริงๆเพราะอายุค่อนข้างมากนะเจงก็ได้ศึกษาธรรมะนะ้แสดงว่ามีบุญมากอะนะเจงยืนอายุได้ยืนน่ะเนี่ยนันก็อันนี้ก็เป็นผลของการ เว้นจากปาณาติบาตแต่ก็มีป่วยอยู่บ้างนะกรสอบกระเสะถ้าอย่างนี้ก็เป็นผลของการเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะนะก็แสดงว่าเขาให้ทานมาดีนะเขาจึงมีเวลามานั่งฟังธรรมไม่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่เรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่อ ง, อ, ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอาหารผลแห่งทานดีเนี่ยนะนะเขาก็มีคนมูทิตาให้มีคนเสียสละบางคนก็มีลูกมีหลานเป็นต้นมาส่งอันนี้ก็เป็นผลของมุทิตาเป็นต้นนเะนะี่ย ก็เอามาเจริญได้ง่ายๆเลยไงก็กรร ม, มสการในส่วนนี้เอามาเอามาคิดบ่อยๆเนี่ยนะเพราะทุกคนเนี่ยนะขันห้าของแต่ละทุกคนเนี่ยมันเป็นตัวที่ประกาศผลบุญผลบาปเป็นที่แสดงผลแห่งบุญเป็นที่แสดงผลแห่งบาปในขณะเดียวกันเนี่ยขันหทุกคนเป็นเวทีแห่งการทำบุญทาบาปใหม่ขันห้าที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นร่องรอยแห่งบุญบาปในอดีต และเป็นเวทีที่อาศัยสิ่งเราเนียมาทำบุญทำบาปใหม่เพราะฉะนั้นจากขันห้าที่เห็นอยู่เนี่ยทำให้ย้อนไปหาอดีตตเหตุของเขาแล้วก็มองเห็นว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่อาศัยขันห้าเนี่ยประกาศถึงอนาคตของเขาต่อไปแล้วกรรมผลของกรรมที่มันสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อไรจะจบหนอเียนะเมื่อไรจะสิ้นสุดหนอ นี่นะถ้าเขาตัดฉันทราคะได้เขาคงพ้นทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอแลจึงชื่อว่าสัตว์จึงชื่อว่าสัตว์นั่นแหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อว่าสัตว์ชื่อว่าสัตว์เนี่ยนะด้วยเหตุเพียงเท่าไร่น้อแลจึงชื่อว่าสัตว์พระองค์ก็ตอบว่าที่ชื่อว่าสัตว์เพราะเป็นผู้ข้องก็ข้องในรูปคล่องในเวทนาข้องในสัญญาข้องในสังขารข้องในวิญ ญ, ญาณเพราะคล่องในขันห้าจึงชื่อว่าเป็นสัตว์นั่นะมันเราทั้งหลายก็เรียกว่าเป็น ผู้ข้องกันด้วยอนานาจฉันทราคะถ้าเขาตัดฉันทราคาในขันห้าได้เขาจะทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็การเอากรรมผลของกรรมปฏิจจสมุปบาทมาไคร้ครวนบ่อยๆนี่เราจะเห็นว่าต้นเขาหลักของวัตตะจริงๆคือกิเลสเนี่ยนะในบรรดากิเลส ท, ที่มันเป็นหลักที่สุดก็คือฉันทราคะ เพราะตัณหานั่ยแหละทําให้เขามืดทําให้เขาบอดทําให้เขาไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะถ้าเขาไม่ติดข้องไม่มีฉันทราคาในสิ่งนั้นเขาจะฉลาดในเรื่องนั้นอีกมาก น, นะเพราะตัณหานี่จึงเป็นสมุทัยสัตว์ถ้าเขาตัณหาลดนะปัญญาเขาจะเจริญขึ้นคิดดูนะทําไมพระองค์จึงสอนให้เจริญสมถะใช่ไหมเศษกาจัดโทสะสมถะกาจัดราคะถ้าราคาเข้าลดปัญญาเขาจะเกิดเนี่ยนะปั้น ผู้ที่ราคะลดลงเนี่ยนะปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นทำกิจตัดฉันทราคะได้อย่างเด็ดขาดก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้นะถ้าเราศึกษาธรรมะได้เพียงพอจริงๆนะที่ไหนมั่งไม่ใช่อภินัยยธรรมที่ไหนมั่งไม่ใช่ปริญญยธรรมที่ไหนไม่ใช่ปหาตัปรธรรมคือในชีวิตที่เป็นจริงของเราจริงๆเรายังต้องมีชีวิตเกี่ยวข้องกับ กับที่เรียกว่าสังคมภายนอกทั่วๆไปเนี่ยนะทำยังไงวิชาที่เราศึกษามาเนี่ยทำมาให้มันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ได้เนี่ยนะทำไมจะเห็นว่านั่นคือทุกขสัจนั่นคือสมุทัยสัจถ้าสงบระงับดับสิ่งนี้ได้เป็นนิโรสัจจะปฏิบัติยังไงเนาจึงจะดับสิ่งเหล่านี้นได้อันนั้นเป็นมรรสัจตรงนี้แหละที่เรียกว่าฝึกประยุกต์ไปใช้ในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะ ชีวิตที่เป็นจริงอะนะอย่างเราเรียนอริยสัจมาแล้วไม่ใช่หรือแล้วพวกนี้มันเป็นอริยสัจอะไรเราเรียนอาสาธ่อาทีนวะนิสรณะมาแล้วไม่ใช่หรืออันนี้มีอาสาธ่อย่างไรอันนี้มีอาทีนวะอย่างไรอันนี้เป็นนิสรณะได้อย่างไรอันนี้ที่เราจะต้องฝึกมาน้อมคิดคือจริงๆแล้วเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมในเบื้องแรกสปายะนับว่าสําคัญแต่ว่าเราก็ต้องฝึกคิดฝึกทั้งสองอย่างเนี่ยนะเมื่อไรเนาะที่เราจเจริญว่า อยู่ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนเนี่ยเข้าใจธรรมะเท่ากันปิดพระไตรปิฎกกับเปิดพระไตรปิฎกเข้าใจเหมือนเดิมเนี่ยนะก็ต้องฝึกให้มันได้ขนาดนั้นแต่ถ้าฝึกยังไม่ได้อย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะพวกนี้จะโทรมานัดอาศาายัยเนคขมมะค่อนข้างบ่อย ก, กาโทรมานัดอาศาายัยเนคขมมะกุศลไม่เจริญก็เดือดร้อนแต่ก็ดีกว่าเดือดร้อนเพราะอ่านะโทรมานัดอาศัยเนคขมมะดีกว่าโทรมานัดอาศัยกามเนี่ยนะเพราะว่าอย่างน้อยจิตก็ยังน้อมไปในทาง กุศลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะพง์บอกว่าให้เจริญโสมนัสอาศัยเนคขมะเพื่อละโรมนัสอาศัยเนคขมะคือคิดยังไงในสิ่งเหล่านั้นให้เป็นโพชฌงให้ได้อะอันนี้คือเรียกว่าจะต้องดึงวิชาที่เราเรียนเอาไปใช้ให้ได้ทุกแห่งเนี่ยนะอ่าอย่างง่ายๆเลยนะว่าอย่างเราเรียนเรื่องอินรี่ห้ามานะสัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้นะ เช่นเมื่อใช้รถเนี่ยเจริญสัตตินรียได้ยังไงเมื่อใช้รถอยู่เนี่ยเจริญวิริยินทรีย์ได้อย่างไรเมื่อใช้รถเจริญสตินรีได้อย่างไรเมื่อใช้รถนี่เจริญสมาธินรีได้อย่างไรเมื่อใช้รถเจริญปัญญินรียได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องต้องเอามาคิดนี่นะอันนี้แหละเป็นจะเป็นความเข้าใจที่ที่เรียกว่าเป็นจินตามายาปัญญาของเราเองเนี่ยนะ แล้วต่อไปนะถ้าถ้าคิดอย่างนั้นได้หนึ่งครั้งนะศึกษาธรรมะจะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่เราควรเอาไปฝึกคิดเนี่ยนะก็ป่วยที่กายมันแหละเพราะวัตถุเดียวกันนะถ้าพิจารณามันจะมีทั้งอาัศาธะาและอาธีนวะเนี่ยนะานั้นอาัศาธาเป็นอัาธะเป็นสมุทัยศาสตร์นะนะั้นคนที่ตัดชันนราคาและอาัศาธะาได้โดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือเรียกว่า บริสุทธิ์เหมือนดอกบัวนี่นะไม่เปื้อนในโลกธรรมแม้แต่อย่างเดียวกลายเป็นผู้มั่นคงทั้งในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาอารมณ์ที่น่าปรารถนาสัตว์ทั้งหลายมีราคะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาสัตว์ทั้งหลายมีโทสะถ้าจะกล่าวไปง่ายๆว่าการ ม, มาราคานุสัยภาะวะราคานุสัยเนี่ยนอนอยู่ที่ไหนนอนอยู่ในโลกธรรมฝ่ายดี มันอยู่ที่นั่นแหละถามว่าทำไมจึงบอกว่ามันอยู่ที่นั่นเพราะมันอาศัยสิ่งนั้นแล้วมันเกิดเลยอ่ะก็เลยเรียกว่ามันอยู่ที่นั่นถามว่าโทสะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่โลกกระทำฝ่ายร้ายปฏิคานุสัยเนี่ยนะมันเหมือนกับนอนอยู่ในเนี่ยโลกกระทำฝ่ายร้ายเช่นได้รับคํานินทาอ่านะได้รับความทุกข์เสื่อมลาบเสื่อมยศโลกกระทำฝ่ายไม่ดีอยู่ตรงนั้นเนะ หรือที่เรียกว่าปฏิคาปฏิฆานุใสเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอมรสิการถึงสิ่งนั้นก็เกิดโทสะเพราะฉะนั้นการทําปริญญารอบรู้ทั้งในอารมณ์ที่น่าปรารถนาะและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาะผู้ที่มั่นคงทั้งสองอารมณ์ได้นี้เรียกว่าเป็นผาา้าหันผู้คงที่เนี่ยนะผู้คงที่ถึงอารมณ์ที่น่าปรารถนาะก็ไม่เกิดราคะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาะก็ไม่เกิดโทสะด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคเนะี่ย ถ้าไม่ปฏิบัติตามมรรคนะไม่ใช่ทาตัวเฉยๆนะเออเนี่ยมันจะดีก็่ายจะเสียก็เฉยเฉยไปหมดเลยดีไหมนะก็ก็มีกลุ่มที่ใชยหมดเลยนะได้กินก็ใชยไม่ได้กินก็ใชยกลุ่มนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่คนเต็มหรอกเชอในมหานิเทศเนี่ยนะในสารีปุตตะสุตะนิเทศเนี่ยนะ ภาษารรบทุท่านแนะนำกล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยสอนพวกโมหะจริตให้เรียนให้สอบถามให้ฟังทำตามการสนทนาทำตามการอยู่ร่วมกับครูตามะนะอยู่ร่วมกับครูพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อละโมหนะเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อละโมหะแต่ถ้าพูดถึงจริตแล้วนะถ้าพวกศรัทธาจริตนี้พระองค์ก็สอนให้เจริญยังไง ว่าความนิมิตคือความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าถ้ามีศรัทธาจริงๆนะต้องมีศรัทธาว่าพระองค์ตรัสรู้ชอบแล้วนะพระองค์ตรัสรู้ถูกต้องแล้วความเป็นธรรมดีของพระธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้าดียังไงเนี่ยนะนะคืาน่าฝึกเอามาคิดบ้างนะสวาคาโตพระวาตาธโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ดียังไงเนะี่ย ดีอย่างไรบ้างนี่น่าเอาไปคิดให้มากๆเลยนะีสติปทานดียังไงเนี่ยนะยกตัวอย่างสติมมปทานดียังไงสามารถประทานดียังไงอิทิบาทดียังไงนั่นแหละจึงจะเข้าใจว่าสวากขาโตภคะวาตาธรรมโมเพราะนั้นความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนะี่ยผู้ที่เป็นศรัทธาจริญควรเอามามามาคิดมาเจริญมาพิจารณาให้มากๆ แต่ถ้าพวกยานจริตถ้ามีปัญญาจริงๆให้เจริญอะไรเช่นอาหาเรปฏิกูลสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็คือทุกขานุปัสสนานั่นเองเนี่ยนะกลุ่มเดียวกันหรืออะไรธาตุกรรมฐานเนี่ยนะเจริญคกลุ่มธาตุกลุ่มธาตุก็คือกลุ่มอะไรปัญญาเนี่ยนะเป็นอนัตตานุปัสสนานะกลุ่มธาตุ เพเจริญทุกขานุปัสสนาเจริญอนัตตานุปัสสนาหรือเจริญอนิจจานุปัสสนาเพราะฉะนั้นกลุ่มญาณเจริญผู้ที่เจริญพวกมีปัญญาทั้งหลายให้เจริญแบบนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข้อยุตินะเป็นข้อยุติที่ถูกต้องเรียกว่าให้กรรมฐานตามเจริตนั้นจึงจะถูกต้องแต่ถ้าไปสอนราคะจริตให้สุขาปฏิปทานะทาตัวสบา ย, บายดีไหมไม่ดี ไปไม่รอดเนะี่ยพัะสุขาปฏิปทาจึงไม่เหมาะกับราคาจริตเนี่ยนะนะเช่นพวกราคาจริตนะถ้าไปอยู่เสนาสนะชั้นดีอาหารอย่างอร่อยชั้นเยี่ยมเป็นต้นน่นะนะกลุ่มนี้ก็โดยมากนะถ้าโดยเฉพาะพระพิสุเนี่ยไปไม่ค่อยรอดเนี่ยนะนะนะอตัวราคาเนี่ยถ้ามันมีกำลังส่วนหนึ่งก็จะเป็นมานะเนี่ยนะนะนะนะคือเพราะว่ามานะนี่เกิดร่วมกับ ราคะพวกมานะเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเย er ื่อยิงนั่นเนอะเย่อย er ิงทีนี้การเย er ื่อยิงเนี่ยส่วนทั่วไปมันก็มีข้อที่เป็นที่ตั้งแห่งความเย er ื่อยิงอยู่นนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเย er ื่อยิงเช่นชาติตระกูลชาติตระกูลก็ถือว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเย er ื่อยิงนั่นเนอะหรืออะไรพวกทระซับเป็นที่ตั้งแห่งความเย er ื ing, ่อยิงศิลปะวิทยาฐานน ะ, ะความเป็นหัวหน้าความเป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะ ความรู้ความสามารถต่างๆพวกนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่งเนี่ยนะเระั้นพวกมานะเนี่ยก็วิธีแก้ก็คือให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเนี่ยนะไอ้ข้อนี้จะทําให้ลดมานะลงไปได้เพราะว่ากลุ่มมานะทั้งหลายนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับตระกูลลูกโป่งทั้งหลายแหละนะพอแค่ไปแค่มาเดี๋ยวมันก็ลมมันก็ออกไปมัน ก, ก็ลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยนะ แต่ก็มีกลุ่มมานะที่ว่าน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะนะเรียกว่าอ๊ย้ยเราอะไรก็สู้คนอื่นเข้าไม่ได้สักอย่างก็จะเป็นมานะที่มันลดลงไปต่าอีกมันไม่ค่อยพอดีหรอกเนี่ยนะเพราะอาศัยปิยรูปสาตรรูปนั่นแหละเพะนั้นการทำปริญญาในปิยรูปสาตรูปนั้นจึงเป็นไปเพื่อละมานะเรียกว่าเย่อหยิ่งเพราะสิ่งใดเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาทบทวนให้รอบคอบ วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความถือตัวเนี่ยนะเอาวัตถุนั้นมาพิจารณาให้มากทำไมเราจึงถือตัวอาศัยสิ่งนั้นถือตัวเนี่ยนะสภาวะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเนี่ยสภาวะนั้นเรียกว่าปียรูปสาตรูปเพรา ะ, ะสภาวะใดที่เป็นที่ตั้งแห่งแห่งความถือตัวเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาพิจารณาเช่นถือตัวเพราะปัญญาก็เอาปัญญาเนี่ยมาทำโพธมาทาปริญญา เรียกว่ามาพิจารณาโดยธรรมวิจยะสามโพชงถ้าพีจ่จถ้าถือตัวเพราะโผคะก็มาพิจารณาว่าเอาแบบนางวิสาขากล่าวกับพ่อสามีใช่ไหมบอกนี่มนพระคุณเจ้าไปโปรดข้างหน้ากรคุณพ่อกําลังบริโภค ข, ของเก่าอยู่นั่นนะก็เอาพิจารณาในลักษณะนั้นถ้ามาหนะ้าพระ อ, อาศัยชาติตระกูลนี่เป็นผลของการอ่อนน้อมมานะจึงมาเกิดในตระกูลสูงทําไม่เ ย, อย้อยิงแบบนี้อีกจะกลับไปซ้ํารอยเดิมนะ นะพราะตระกูลสูงตระกูลต่ำมันก็สมบัติชั่วคราวนะสมบัติของแต่ละพบแต่ละชาติเท่านั้นแหละชาติไหนถ้าความอ่อนน้อมนำเกิดก็ทำให้เกิดในตระกูลสูงถ้าชาติไหนความเย่อหยิ่งนำเกิดก็เกิดในเดี๋ยวไปอินเดียก็จะเจอเองนะแต่ไปหมดเลยเรียกว่าวันนะที่ไม่มีโอกาสงอกเงยในนะถ้าไม่ย้ายประเทศนะไม่มีการไม่มีโอกาสงอกเงย น, นะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ตัดไว้ในสังยุตตนิกายมหาวรารวักว่าธรรมะฝ่ายดำมีอยู่ธรรมะฝ่ายขาวมีอยู่เนี่ยนะธรรมะที่มีโทษมีอยู่ไม่มีโทษมีอยู่ธรรมะทีนะ่ให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยมีอยู่การใส่ใจในสิ่งนั้นมากๆการโยนิโสะนะไปพิจารณาสิ่งนั้นมากๆอันนี้เป็นอาหารเพื่อยังธรรมะวิจยะสัมพ่ชง ที่ยังไม่เกิดให้เกิดแล้วก็เพื่อความเจริญไภัยบุ์แห่งวิริยะสามโพชงที่เกิดแล้วทีนี้ปัญญาเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในจิตเฉยๆตัวปัญญานีปัญญานี้เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตถ้าไม่พูดไม่ทําวิญญาตเป็นมนโนกรรมปัญญาตัวนั้นเป็นมนโนกรรมถ้าปัญญาเหล่านั้นทําวจีวิญญาตออกมาเป็นวจีกรรมถ้าร่วงกายวิญญาตออกมาก็เป็นกายกรรม การพิจารณาเนี่ยนะเอาเอาปัญญาเป็นต้นมาทำปริญญาเนี่ยเป็นความชอบธรรมเนี่ยนีกรรมที่บรรดาทํำได้กว้างขวางลึกซึ้งที่สุดเป็นมโนกรรมเนี่ยนี่ยทนมโนกรรมไม้กระทั่งฌานนะรูปฌานอรูปฌานทั้งหมดเป็นมโนกรรมทั้งหมดเนี่ยนี่ยทนมันในบรรดากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือมโนกรรมกรรมที่ทําได้มากที่สุดกว้างขวางที่สุดคือมโนกรรมกรรมที่ทํายากที่สุดก็คือมโนกรรมอีกนั่นแหละ โดยเฉพาะการเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยกายกรรมหรือวจีกรรมหรือมโนกรรมกรรม3ถ้าเจริญวิปั ส, สนาด้วยพูดด้วยเจริญวิปั ส, สนาด้วยเป็นวจีกรรมเดินจงกรมเป็นต้นเจริญวิปั ส, สนาเป็นกายกรรมนั่งนิ่งๆ น, นึกเฉยๆอย่างเดียวเป็นมโนกรรมมันเจริญวิปัสนาได้กรรม3 ท่าถ้าถ้าเป็นกรรมจริงๆอ่ะนะขอให้มันเป็นกรรมเถอะจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมเนี่ยมีผลหมดเลยเพราะว่าถ้ากรรมกรรมที่ไม่มีผลต่อไปอ่ะนะกรรมนั้นจะต้องเป็นอโหสิกรรมถามว่ามโนกรรมเป็นอโหสิกรรมไหมล่ะมันเข้าหลักอโหสิกรรมไหมถ้าไม่กรรมใดถ้าไม่เข้าหลักอโหสิกรรมนะกรรมนั้นจะต้องมีผลถ้าไม่เข้าหลักอโหสิกรรมแต่ถ้าเข้าหลักอโหสิกรรมก็ก็แล้วไปเนี่ยนะ มันกรรมที่ที่จะไม่มีผลน่ะคือกรรมที่มันเข้าอโหสิกรรมเช่นเจตนาดวงที่หนึ่งไม่สามารถให้ผลชาตินี้เป็นอโหสิกรรมดวงที่เจ็ดไม่สามารถให้ผลในชาติหน้าเป็นอโหสิกรรมหรือปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานดับขันธปรินิพพานเหมือนพระพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นดวงที่สองถึงดวงที่หเป็นอโหสิกรรมเนี่ยนะมันถ้า ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเนี่ยนะโดยชาติตัดให้เป็นอโหสิกรรมอุปชาโดยชาติก็ตัดให้เป็นอโหสิกรรมแต่ถ้าอัปราพะเวทนิยกรรมดวงที่สองถึงดวงที่6กเนี่ยนะอริยมรรคเป็นตัวไปตัดเขาเรียกว่ากรรมดํามีวิบากดํากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมนั้นถ้าเจริญอริยมรรคเนี่ยก็จกสิ้นกรรมแล้วก็จักปรินิพาน